ข้างวังที่ครบท่าท่านกำลงฟังรายการสัมส น, สมนาหรือทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเราก็ได้เวลาที่จะไปพบ ก, กับพระเพรปุอภิปุลโนจากวัป่าดอนหายโศอุดรธานีพเพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งที่เป็นสาระหลักของรายการคือมุ่งเน้นที่จะให้ท่านเข้าถึงพุ้ทวจนะนําเอาผู้ทวจนะนั้นมาตอบคําถามของท่านโช่วลานี้เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะนมัส ก, กาลกันท่านคะยิ้มฟ้าอันค่ะเรื่องของความเชื่อของคนเนี่ย จริงๆแล้วก็ในส่วนตัวเข้าใจนะคะว่าอามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ควรจะไปให้ความสำคัญในความเชื่อที่ไม่ได้สอดคล้องกับพุทธวจะนะมากนักแต่นี่ในเมื่อมันเป็นความเชื่อของคนในวงกว้างแล้วเราก็อยากจะให้ปัญญาด้วยคำสอนของพระาศาสดาอย่างเช่นวันศุกร์ที่สิบสามนะคะท่าบางคนพูดถึงวันศุกร์ที่สิบสามแล้วก็กลัวขึ้นไปเลยนะ ดิฉันเนี่ยมีประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะ oh, เค ย, เยทำรายการโทรทัศน์แล้ว เ, <อ>เป็นรายการท่องเที่ยววันนั้นไปทำที่จังหวัดกระบี่เขาก็จะมีกิจกรรมผาดโผนที่ให้คนปีนหน้าผาออตอนเริ่มปีนเนี่ยไม่รู้วันเดือนปีไม่รู้ว่าเป็นวันศุกร์ที่สิบสามพะปีนไปได้สูงพอสมควรมีคนตะโกนบอกพี่ติวรู้เปล่าวันนี้วันอะไร วันศุกร์ที่1ิสามนะดิฉันขาสั่นพับๆต้องขอลงเลยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่อ่าข้อสังเกตนะคุณโยมติ<ช>ต๋วเรืองอะไรว่าถ้าคือผู้ที่ช้าพูดถึงเรื่องเ่ิงยามเอาไว้ในกรณีอย่างนี้ว่าถ้าจิตเราเป็นกุศลนะถ้าจิตเราเป็นกุศลเวลาไหนเวลานั้นดีจิตเราเป็นกุศลเวลาเช้าวเวลาเช้าดีกลางวันกลางวันดีอย่างนี้นะทีนี้ว่าเราเนี่ยไปฟังคนอื่นมาก พอจิตของเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมความเป็นกุศลหรืออกุศลของจิตได้เนี่ยเราก็จะต้องไหลไปตามกระแสคําพูดของคนอื่นนะทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไง <c oughs> อย่างกรณีของของเคสของคุณยมติ้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเราพอเรามาทราบข้อมูลนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้จิตของเราไม่สามารถทรงความเป็นกุศลอยู่ได้นะ <c oughs> มีอกุศลเข้ามาแทรกมีความกลัวมีความระแวงเข้ามาแทรกมันก็ทําไม่ได้ <c oughs> ค่ือต้องยอมรับเลยเรื่องที่ เขาเรียกว่นะคะเป็นประ จ, จากอ๋อตอนแรกเราไม่วอกแวกเลยนะอืมแต่พอเราหวั่นไหวปุ๊บใช่มันทําไม่ได้อเราจะไม่สามารถดําเนินการงานไปได้ยิ่งถ้าวันศุกร์สิบสามใช่ไหมแล้วมีจริงจกทักด้วยนะแล้วหนังตาขวากระตกอีกนะโอ๊ยคุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยวันนั้นอ <c oughs> นอน <c oughs> คุ้มโปงไปเลยแต่มันก็ยังมันไม่ใช่การแก้ที่ถูกต้องไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพึ่งกับสิ่งอื่นอย่างนั้นเหรอ ท่านผู้เาจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกความกลัวคุกคามมาแล้วจึงไปยึดถือต้นไม้บางภูเขาบ้างอะไรต่างๆบ้างว่าเป็นที่พึ่งแต่จริงรที่พึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองแล้วก็ธรรมะรถ้าเรารู้ธรรมะนะแล้วจิตรู้ธรรมะแล้วยังไงจิตของเราจะสามารถเป็นหนึ่งได้คือเราจะไม่ไหลไปตามทุก13บแล้วไงฉันไม่แข็ใช่ไหมเออละปีชงแล้วไงฉันดํารงจิตให้ฉันเป็นกุศลได้ คือคำว่าฉันไม่แคร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจะนะแต่หมายความว่าเราก็ยังทรงจิตของเราให้เป็นกุศลและทำได้เขาไปฆ่าสัตว์กันใช่ไหมเราไม่ฆ่าเขาไปลักทรัพย์กันใช่ไหมเราไม่ทำนะเราจะมีความมั่นใจว่าจะไม่มีใครมาโจทย์เราว่าเธอไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไดนะ้แม้ในปีชงแม้ในวันที่เราถูกจิ้งจกทักแม้ในวันที่เราหนังตาขวากระตุกค่ะท่านพูดปีชงขึ้นมาก็ต้องปีชงละคะ่ะที่จะเป็นเรื่องต่อไปที่มากราบเรียนถามท่านเหมือนกับว่าปีชง เป็นวัฒนธรร ม, อมของทางความเชื่อของจีนประเทศไทยมีคนจีนเยอะนะคะเานในทุกปีเนี่ยก็จะมีการบอกว่าถ้าปีนี้คนที่เกิดในปีนั้นๆๆๆจะชงอย่างไรแล้วก็มีวิธีรับมือคือป้องการแก้ไขได้อย่างไรดิฉันจะกราบเรียนถามท่านสองอย่างนะคะเรีานอย่างที่หนึ่งก็คือ ถ้าเป็นผู้ทวจนะเนี่ยจะมีการพูดถึงความศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นคุณสมบัติของสงสานสมมติว่าถ้าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่สภาพแวดล้อมมันมีข้อมูลพวกนี้หลั่งไหลเข้ามามแล้วมันก็ดูเหมือนกับอาจส่งผลกระทบกับเราได้และเราก็มีความไม่รู้มันก็เลยเกิดความรู้สึกหวั่นไหวเป็นธรรมดา ถือว่าเรากําลังไม่เชื่อมั่นในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าคะเอ่อความหวั่นไหวตรงนี้ก็แสดงถึงความที่ยังไม่มั่นใจร้อยเปร์เ็ในรพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไหมเพราะเรายังไปฟังคนอื่นอยู่แต่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงในเรื่องนี้คืออะไรในเรื่องของการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีความขึ้นความลงบ้างเนี่ยก็คือพูดถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมว่ามันไม่แน่นะไอเรื่องสิ่งที่มันจะมาเกิดขึ้นเนี่ย ทีนี้ถ้าเราทําจิตของเราให้เป็นกุศลอยู่ได้ตลอดเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทําถ้าเรามีความมั่นใจในพระธรรมใช่ไหมพระธรรมมีความมีทางแก้อยู่แล้วนะ เ, เราก็ไปทําสิ่งที่ดีไม่ไมผิดศีลไม่ไปหากินในทางไม่ถูกใช่ไหมใช้ใจ่ายทรัพย์ให้อย่างดีมีการรักษาทรัพย์ได้แล้วถ้ามันสูญหายเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเราก็ปล่อยวางเขาซะเราก็จะไม่ทุกข์มาก ไม่ต้องพูดถึงปีชงหรอกคุณโยมติ๋วอย่างปีคนที่อย่างปีมะโรงคนที่เกิดปีมะโรงปีนี้มันจะไปชงกับปีปีปีสุนัขถูกไหมใช่คนที่เกิดปีสุนัขก็จะไปรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีคอยระแวงระวังอะไรเอาต่อให้คนเกิดปีมะโรงถ้าคุณยังประพฤติผิดอยู่คุณยังฆ่าสัตว์รักษาพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยยังไงคุณต้องโดนไปดูคนขึ้นศาลคนปีมะโรงก็ถูกฟ้องเหมือนกันปีมะโรงอ่ะก็มีเหมือนกันเลย มันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นจะต้องปีนี้ฉันจะไม่ถูกฟ้องถ้าคุณทำผิดคุณต้องโดนเพราะนั้นเราก็เอาเกณฑ์ตรงนี้มาในการวัดถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้ที่พยายามที่จะนําเอาคำสอนของพระาสามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเราจะทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ดีคะก็คือว่าเราต้องมีใครพูดอะไรใครเข้ามาใช่ม ถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ alors, เราก็ฟังฟังไว้แล้วเราก็เรียกว่ายกไว้ก่อนจะมาสอดคล้องกับพุทธวจนะยังไงเราก็ค่อยมาดูแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นพุทธวจนะคือใช่หรือไม่ใช่เนี่ยราต้องมาตรวจสอบตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นพุทธวจนะถ้าไม่ใช่เราก็ละทิ้งคำเหล่านั้นไปเสียถ้าใช่เราก็ทรงจําคำเหล่านั้นเอาไวา้<า>คะ่ะทีนี้เราจะปฏิบัติตัวเช่นไรจึงจะทําให้เราเนี่ยพ้น จากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเรื่องไม่ดีต่างๆเราต้องมีเพื่อนดีคุณโยมติว๋วเราต้องหาเพื่อนดีนะเพื่อนดีในกรณีนี้หมายถึงบุคคลที่เขามีศีลมีจาระคามีศรัทธามีปัญญาคือคนที่ไม่มีศรัทธาในพุทธเจ้ามีเยอะแยะน ะ, ค, ะคนที่ยังไปถือผีถือเครื่องรางของของังเอาไม่เป็นลายยกเข้าไว้เราไปหาเพื่อนที่มีศรัทธาในพุทธเจ้าดีกว่านะพอเขามีศรัทธาในพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะพูดถึงแต่สิ่งที่พุทธเจ้าสอน ใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ถูกแวดล้อมด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมันมีเยอะแยะในสมัยพุทธกาลยังมีเลยคุณยมติว๋วอย่างบางคนบอกว่าเรื่องของกรรมไม่มีอีกคนหนึ่งบอกเรื่องของกรรมมีน ะ, ะมันโหขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง2 อ, อย่างนี้แล้วจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นคําถามที่เราครอบครัวชาวกาลามะเนะขาไปถามพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของกาลามะสูตรน ะ, ะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้พูดอย่างนี้อีกคนหนึ่งพูดอย่างนึงฉันจะเอาแบบไหนดีอย่างเงี้ยนะ ในบอกว่าปีชงเนี่ยก็จะมีอีกตำราหนึ่งบอกาอาุอาจจะดีได้นะมีข้อยกเว้นอย่างนั้นอย่างนี้เอามันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงไงเราจะทํำยังไงดีเราก็มาดูสิว่าถ้าเขาบอกมามีเขียนอยู่ในตําราเอาเราอย่าพิ่งเชื่ออย่าพึ่งคัดค้านเอายกไว้ก่อนนะแล้วเรามาเปรียบเทียบกับอะไรเรามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลใช่ไหมถ้าคุณมีราคาโทสะโมหะทำให้คุณไปประพฤติผิดศีล5้านะข้อปฏิบัติตามปกติอย่างนี้ต่อให้ใครพูดมายังไงมันก็ไม่ดี แต่ถ้าคุณไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วปฏิบัติตามศีลห้าใครว่ายังไงมันอันนี้ก็จะดีเรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องสงสัยใครแล้วก็พิจารณาอย่างนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าได้วางเอาไว้อยู่แล้วค่ะก็คือทาจิตให้เป็นกุศลมีเพื่อนดีเข้าไว้เพื่อนดีในที่นี้ไม่ใช่เพื่อนเป็นบุคคล แต่เป็นเพื่อนที่เป็นธรรมถึงน ะ, ะเอ่อเป็นบุคคลก็ได้เป็นธรรมะก็ได้บุคคลก็ต้องมีคุณสมบัติ4ี่อย่างใช่ไหมคือมีศรัทธามีศีลมีจาค่ามีปัญญาถ้าเป็นธรรมะก็พูดถึงเรียรมรรคมีองค<อ>์แหรือว่าจะเอาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นพระสงฆ์รูปไหนที่เราหรือเป็นคนที่เหนือกว่าเราอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้ความเรียนนะมีศีลสมาธิปัญญาสูงเราก็เอาบุคคลนั้นเป็นเพื่อนได้ใ่ะงั้นก็เท่ากับว่าเราไม่ลบหลู่ใคร เรายกเอาความรู้ต่างๆที่เราได้รับมาแล้วเราหวนไว้นั้นไว้แล้วก็ใช้คําสอนของพระศาสดาใช่ไห ะ, ะเอามาปฏิบัติแล้วลองดูว่าชีวิตของท่านที่ผ่านไปในแต่ละปีนั้นจะเป็นอย่างไรท่านภาบูบุ์ศึกษามาแล้วถ้าสร้างเหตุแบบนี้ผลน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอผลก็คือเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อสวรรค์นะเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ย ต่อใหนะ้เป็นปีที่ไม่ดีมีอะไรเครืองร้ายๆเนี่ยเราก็ยังสบายใจอยู่ได้คนอื่นเขาก็จะมาช่วยเรานะช่วยเราในที่นี้หมายความว่าอะไรเพราะว่าเรามีอริยทรัพย์ไงเรามีอริยทรัพย์ภายในเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่ออสิ่งที่มีภารษะที่น่าพอใจอ่นะค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นี้อีกเรื่องหนึ่งค่ ะ, ะเด็กค่ะเด็กอืถือว่าเป็นบุคคลที่มีความ สำคัญเพราะว่าเป็นความหวังเป็นอนาคตวันเด็กในเขาก็เลยเกิดมาเพื่อที่จะให้ความรักแทนกับเด็ ก, กั น, นะคะอีกอก่าในประเทศไทยที่ย้อนไปนในประวัติทฉันขออนุญาตเล่าเป็นความรู้ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับท่านทั้งหลายด้วยว่ามันจัดครั้งแรก เมื่อวันที่3ตุลาคมปี98นะคะแล้วก็บอกว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันเป็นความตื่นตัวระดับโลกคือของสหรประชาชาติอปี2498เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ประชาชนเห็นความสําคัญเห็นความต้องการของเด็กแล้วก็กระตุ้นตัวเด็กเองอให้ตรหนักถึงบทบาทที่สําคัญของประเทศทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทาไมไปจัดช่วงเดือนตุลาคมแล้วทาไมตอนนี้มาจัดตอนต้นปีอตอนนี้เขาจัดสัปดาห์ที่สอง วันเออสาร์ที่สองของปีก็ปุ่มนี้แล้วเนาะค่ะทีนี้ที่ไปที่มาเขาบอกว่าไอ้ตอนที่จัดครั้งแรกเดือนตุลาเนี่ยมันหน้าฝนลําบากดัง น, นั้นจะเห็นไหมคะมันมีการปรับตัวยืดหยุ่นใช่อันนี้เป็นธรรมะอะไรอย่างนึงไหมคะในเรื่องของการปรับเนี่ยคะโ อ, อ้ก็ปรับตามความเหมาะสมใช่ไหมก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆล่ะค่ะทีนี้มาถึงคําขวัญวันเด็กนะคะเพราะว่าท่านนายกนี่ก็ให้คําขวาัญ วันเด็กก็ไว้ตั้งแต่หัววันเลยให้มานานแล้วนะคะเนี่ยอืมสอดคล้องกับธรรมะอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามองในลักษณะของผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระศาสดาธรรมะกับเด็กๆของเราเนี่ยควรจะได้รู้อะไรนะคะคำขวัญวันเด็กของนายกบอกวษษา่าสามัคคีมีความรู้รผู้ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยี อ, เอืเอรื่องของสามัคคีอันนี้พู้ชาพูดไปแน่นอน นะให้มีความสัมพันธ์กันอย่าแตกกันนะมีความรู้ก็พูดถึงความรู้ในอ ร, ริยสัจสี่มีปัญญาก็พูดถึงความปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงรใช่ไหมคง ร, ร, ร, รักษาความเป็นไทยนี่ก็จะพูดในลักษณะของเรื่องของที่ทั้ง6กคุณจะต้องป้องกันที่ทั้ง6เอาไว้ให้ได้หน้าที่ของเด็กต่อผู้ใหญ่คืออะไรก็คื อ, อปฏิบัติตามการงานที่ของพ่อแม่ใช่ไหมทำบุญอทยที่ไทยเมื่อท่านทําการะไปแล้วรักษาวงศ์สกุล แล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติเป็นตัวเป็นทายาทใช่อย่างนี้ค่ะใส่ใจเทคโนโลยีนี่หมายถึงอะไรล่ะหมายถึงว่าต้องเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมค่ ะ, ะคือเหมือนกับว่าถ้านโย ค, คุจะต้องการให้เด็กไทยเนี่ยไม่ล้าหลัง<อ>แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันปรากฏเร็วถ้าปรับตัวช้าก็ไปไม่ทันคนอือ่นเขาก็เสียโอกาสอะไรอย่างนี้มั้งคะถ้าเป็นพุทธวัชนาก็จะมีคําว่าวิมังสา วิมังษาคือหมายความว่าความที่พัฒนาปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงของเราให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆนเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติของอิทธิบาทสีอันนี้ก็จะพูดถึงตรงนี้ได้เหมือนกันอ๋อค่ะเท่ากับว่าถ้าจะปรับเข้าหลักธรรมไปตรงกับเรื่องของอิทธิบาท4ใช่ในส่วนของวิมังษาค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเด็กเนี่ยธรรมะที่เด็กๆควรจะต้องมีคือเราไม่คงจะไม่หวังว่าเด็กคุณต้องไปวัดสวดมวนต์บวชเป็นเนนแล้วผู้หญิงทำไงบวชเป็นชีหรอ S 1> <S 1> <S <S คงเป็นอย่างนั้นนะนะคือเราไม่ต้องถึ้นขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ว่าเด็กเนี่ยคุณไม่เล่นเกมมากนมีครั้งหนึ่งจะาามาไปาไปฉันที่หนองคายไปฉันที่ที่ในพัทคาญอย่างเงี้ยเขาก็มีมีโต๊ะอาหารอื่นมีพ่อแม่พามาพ่อก็คุยโทรศัพท์อยู่ในสายหนึ่งแม่ก็คุยโทรศัพท์อีกสายหนึ่งลูกก็เล่นเกมกด <S <S 2> <S 2> คอมพิวเตอร์เาเรียกอะไรเพรย์บอยไอ้เพย์ Playstation 2 PSP 2น ะ, 2> ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ iPhone มันก็เล่นโทรเกมได้แต่ละคนก็มีเครื่องของแต่ละคนนะเราก็เล่น<ม>เกมกันกินกันไม่ได้คุยกันเลยสักอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้อง น, น ะ, ะถ้าดูแล้วมันไม่ประพฤติตัวเป็นทายาิไม่ดำรงวงศุลเพราะนั้นเด็กเนี่ยเอาแค่ธรรมะง่ายๆพื้นๆเลยคุณปฏิบัติตามที่มาดาบิดาสอนนะไมะ่ห้ามตัวเองเสียจากบาปนะื่องยาเสพติดอะไรเราอย่าไปข้องเกี่ยวนะเราอยู่ในศีล้าเรา ปฏิบัติตามที่มารดาบิดาสอนเราเป็นผู้รักษาวงสกุลในที่นี้ก็คือว่าปฏิบัติตัวเรื่องของทิศหกของเราให้อย่างดีแล้วเราก็จะเป็นเด็กที่ดีได้อ๋ อ, อคือเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยหน้าที่จะปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องทิศหกโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กกับผู้ปกครองอไว้เลยใช่ใช่คือตัวมารดาบิดาเองหน้าที่ของมารดาบิดาเนี่ยคือห้ามเสียจากบาปใช่ไหมให้ห้ามห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดี เราก็ต้องสอนหน้าที่ของลูกเนี่ยกับพ่อแม่ให้ตัวเขาดูด้วยอว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ทํากิจการงานที่ท่านสอนเนี่ยท่านสั่งให้ทำอะไรเราก็ทําตามเราก็เป็นผู้รักษาปฏิบัติตัวเป็นทายาทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องมีอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าทรงสอนเอาไว้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เด็กเลยเช่นเดียวกัน ใ, ในเรื่องที่ถกมีเกี่ยวกับครูอาจารย์ไหมคะมีมีค่ะออ เด็กๆควรจะรู้อะไรคะเอ่อหน้าที่ของเด็กที่มีต่อครูอาจารย์ก็คือว่าจะต้อง เ, ออเข้าไปยืนคอยรับใช้อย่างสมัยก่อนก็จะมีไมโครโฟนเล็กๆใช่ไหมที่ใช้ในห้องเรียนเนี่ยเด็กก็ต้องไปคอยเป็นเวรไปรับไปส่งอาจารย์ถือไมโครโฟนมาลบกระดาษอะไรต่างๆพวกนี้นะอันที่2ก็ด้วยการลุกขึ้นยืนรับนะลุกขึ้นยืนทําความเคารพก่อนที่เรียนหนังสือนะด้วยการเชื่อฟังอย่างดีด้วยการปฏิบัติรับใช้แล้วก็ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ ในคำสื่อว่าคุณปฏิบัติตามหน้าที่คุณละมีธรรมะละเด็กคนนี้ค่ ะ, คะศึกษาศิลปะวิทย า, า, า, าโดยเคารพคือถ้ามาดูทิศทิศหกในเรื่องของหน้าที่ต่อครูบาอาจารย์เนี่ย<ช>ยังคิดว่าอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะคือเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี้ยมันการศึกษามันอาจจะเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของเรียนพิเศษอะไรอย่างเนาะค่ะแล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของครูกับศิษย์เนี่ยมันก็ลำบากมากขึ้นอันนี้เราไม่ว่าใครนะคะแต่ดูในเชิงระบบ เดฉันก็ไม่ทราบว่าท่านได้มีโอกาสรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในสถานศึกษาอย่างกลับของเอกชนเดชังไม่ทราบนะคะแต่ว่าถ้าของรัฐเนี่ยเขาก็จะมีกรรมการกรรมการระดับผู้ปกครองและกรรมการเนี่ยก็จะมีบทบาทในการช่วยครูที่จะดูแลลูกใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยครูก็มาบ่นให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวนี้ ย, ยาก ครูทำอะไรก็ผิดไปหมดทําโทษเด็กไม่ได้เลยอออื่ากรรมการนี่ก็จะมาเล่นงานครูอืแล้วก็เด็กเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยก้าวร้าวดูแลลําบากได้ไปพบฉันเคยปรารถนกับท่านแล้วมั้งคะว่าครูโรงเรียนดังมากเลยก็มาบอกว่ารู้ไหมที่เธอมาบอกบอกว่าให้ทําไมครูกรเกษียณเยอะๆเนี่ยเพราะครูอยู่แล้วมันท้อมันเหนื่อนมันไม่เหมือนสมัยก่อนด้วยค่ะในเรื่องนี้คิดว่าก็อาจจะมาพูดในตอนต่อไปได้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของครูตรงนี้ ใช่ครั<ม>เพราะว่าเวลาจะหมดอีกแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะคะ่ะวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปมากทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องที่จะช่วยเราไม่กลัวกับการที่เขาเชื่อมีความเชื่อต่างๆที่ทําให้เราหวั่นไหวได้กับในเรื่องของเด็กของเรานะคะว่าเราจะให้ธรรมะเขาได้อย่างไรคุณผูท o n นั้นตรัสไว้กับ มนุษย์ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะวันนี้เราก็คงจะนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเทบูร์เอาไว้ที่ได้เมตตาสละเวลาที่จะต้องคอยเฝ้าฝึกฝนแล้วก็ดูแลผู้หลีกเล่นมาจัดรายการให้นะคะนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็อย่างยิ่งค่ะเรียนบาลค่ะท่านทงที่รบ ค, คะ่ะในการนี้สรัสนิสนทนานะคะเราก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่าธรรมะไม่ได้ไกลตัวคะ่ะธรรมะอยู่กับเราธรรมะนํามาใช้ ในชีวิตของเราและให้เรานําไปใช้ในการที่เราจะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีติดตามรับฟังในการเช่นนี้สันนีสนทนาโดยดิฉันสันนินฐานพงศ์ได้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเนี้ยนะคะโทรศัพท์ที่เราจะติดต่อกันกับทางสถานีคือศูนย์สองสองหกเก้ 6. เรามีหนังสือแจกให้วันละสาท่านหนังสือผู้ทศนะโดยพระอาจารย์พิคิตโสติพโลวัฒนาปะพงมอบให้เราแล้วก็ส่งคําถามไปที่เพียวธ a m มะ .com/ 1 0 6 หรือว่าจะตามไปฟังท่านพะบูลนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ FM เ อ, อของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เวลาเดียวกันเลยค่ะวันนี้ลากัไปแต่เพียงเท่านี้นะคะผุทั่วสวัสดีค่ะ